ฟ้าอีดอัตต์อัลลอฺَอัล ا อฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺ وَكُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا และขอَัลลอฮฺอัลลอฮฺเป็นผْู مُنْزَلًا مُبَارَكًا วَาอันท้า م ُ ن ลมุ ل ซิลินِ ذلك ل آ ي ا ت وإن كنا لمبتلين إ ินน์ في ذلك ل َ آ ي َ ا ت ٍ وإن َ كنا لمبتلين ََُِ ثم أنشأنا من بعدهم قرن آخرين ف س ل س ف ي ه فأرسلنا فيهم رسولا منهم أَنِعْبُدُ اللَّهَ مَلَكُم ا مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بالقاء الآخرة وكذبوا بالقاء الآخرة และเราไَ้รับร ه ้พวกเขาในชีวิตโลกนี้ที่นี่มีเพ ا ยงมนุษ م ์เท่ ยาคุลู ل ُมมาตะคุลูนามิหัวยาชุระบุมิมมาตะชุระบุน ا สมีลาหุร์ราะห์มานุรรหิบอินัลฮ م มِ ن ิลลาห์นะฮ์มัลลุฮฺวะนัสตัยนุฮฺวะนัสตักฟิรฺฮฺวะนัสตักฟิรฺฮฺวะนัสตักฟิรฺฮฺวะนัสตักฟิรฺฮฺวะนัสตักฟิรฺฮฺวะนัสตักฟิรฺฮฺวะนัสตักฟิรฺฮฺวะนัสตักฟิรฺฮฺวะนัสตักฟิร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 พี่น้องที่ร่วมน้ำมาสุบห์ที่มัสยิดอันวาหิซุนนะที่รักทั้งหลายครับัละคำโยลิละเราขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหูวะตาลาตามที่ท่านนาบีสอนสุ ก, ก็ต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เรานอนหลับไปเมื่อคือนนี้ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัมสอนบอกว่าให้เราขอบคุณอัลลอฮ์ ให่างนี้อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาอยานบดดามอามตานะลินนููรนี่เป็นด ع ขอบคุณอัลล์ที่อัลล์ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณอัลลอ์อีกนะครับพี่น้องออกจากบ้านให้ขอความคุ้มครองจากอัลล์ว่าบิสมิลลาฮิะวัลกัลัลลอฮ ا ل ل ا ق ล ة า ل ا พอเราไม่รู้ว่าชีวิตออกจากบ้านแล้วนี่จะเป็นยังไงต้องมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ขึ้นรถขับรถมาก็ต้องมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์สุบฮานัลละดีซัคคาร์ลานาฮะดะวะมาคุณนาละหูมุกรินินวะอินนาอิลารอบบินาละมุงกรีบูนทุกขั้นตอนของชีวิตขับรถมาถึงมัสยิดแล้วลงจากรถจะเข้ามัสยิด ก็ให้นึกถึงอัลลอฮ์ให้ผูกพันกับอัลลอฮ์อีกอันสุลลัวาดนบีเสร็จแล้วก็อัลลอฮุมมัฟตาฮีอบูวะบาระฮ์มาติกะเมื่อถึงมัสคิดของอัลลอฮ์แล้วนะครับมีเวลาอยู่ตั้งสิบนาทีสิบห้นาทีก็นมาตให้เกี่ยวกับมัสคิดสองลักกะต์แล้วก็นามาสุนัตก็นามาซูโบะอีกสองลักกะต์ถ้ามีเวลาก็นั่งซิกรุลลอหรือไม่ก็นั่งอ่านอัลกุรอานทั้งหมดเหล่านี้เป็นไปตามที่ นบีมูฮัมมัดสุลต์สลามได้แนะนำกับเราไว้นะครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้เราขอบคุณอัลลอ์อีกนะครับที่เราได้มีโอกาสมาทบทวนอัลกุรอานนะครับนี่ปีที่ยี่สิบสามเข้าไปแล้วอัลฮัมดุลิลละโอ้นานแล้วนะยี่สิบาปีนี่เยอะนะอัลฮัมดุลิลละพี่น้องเพิ่มได้ย3สิบสามหรมีทั้งหมดนะั่นหนึ่งร้อยสิบสี่นอผ่ผ่านไปซุรที่ยี่สบสามเองพี่น้อง วันนี้เรามาทบทวนคุณอ่านสุร้ออัลมุมินูนพี่น้องคำว่ามุมินู น, นแปลว่าอะไรบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์พออ่านอายาแรกของสุรอ้อ น, นี้ก็คือกอดอัฟละฮัมุมินูนแปลว่าอะไรพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์ทั้งหมดนั้นเขาได้รับความสำเร็จแล้ว ทีนี้เมื่อสำร็จ แ, แล้วก็ดูหน้าที่การงานที่จะต้องปฏิบัติหลังจากผูดสั์ทาต่ออัลลอ์มีเยอะพีน้องเราไปทบทวนอัลกุรอานสุรานี้นะตั้งแต่อายะที่หนึ่งถึงอายะที่10เนี่ยมีงานภารกิจ ต, ต, ต้องรับผิดชอบทาอะไรบ้างวันนี้นะครับเรามาถึงอายะที่2ี่นะครับก่อนหน้าอายะที่2ี่ก็คือเรื่องของนบีนนอาลัยิุสลาม นบีนัวเนี่ยมาใช้มาเองนะครับอเมริกาไม่ได้ส่งแต่ใครส่งนะอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลานะครับส่งนบีนัวมาเลือกจากคนในหมู่บ้านนั่นแหละนะครับอลัลลอฮ์เลือกคนในหมู่บ้านนะครับแล้วก็มาสอนคนในหนงขอนตรงนั้นแหละนะครับ <c oughs> พี่น้องนบีนัวกับนบีมุฮัมมัดเนี่ยแตกต่างกันขอทวนความจำเดี๋ยหนึ่งนบีนัวเนี่ยอลัลลอฮ์ส่งมาสอน อีลากาวมีแก่พวกของเขาเท่านั้นเขามาเฉพาะกลุ่มนะครับบรรดานาบีทั้งหมดที่มาในโลกอย่าต่นบีนันนบีบรอยยูซุปอีซามูซาอะไรก็ตามมาสอนคนเฉพาะกลุ่มแต่นบีมุฮัมมัดนั้นไม่ได้มาสอนเฉพาะคนอาหรับไม่ใช่อัลลอฮ์สรงนบีมุฮัมมัดมาสอนนี่ไงราะห์มัตันลิลาละมีนสอนคนทั้งโลก ถาว่าภารกิจของใครหนักกว่ากันของนบีมูฮัมหมัดสุลตันนี่หนักที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นเราเป็นอุมาของนบีมุฮัมมัดพยายามทําตัวของเราให้เหมือนกับท่านนาบีไดส้สักนิดหน่อยก็ยังดีนะครัมนุลแลละต้องสอนศาสนานี่อักดีดะยิ่งใหญ่นะในใจต้องฝังลึกๆว่าเราไี่จะต้องเผยแผ่ อ, อิสลามให้คนได้รู้จักอัลลอฮ์ผ่านเรานะครับ อวันนี้มาอายาที่ยี่สินะครับฟาอิรัสตะวัยตันตะวามะมะกะะลาลุลฟุลก ل ฟากุลิลฮะมดุลลิลลาฮิลลัตินะจานะอะลฮะมดุลลิลลาฮิลลัตินะจานะมินะลูกมิลลอฮ์ม فإذا ا س ت و أ َ ن ت وما معك على َ الفلك ف ق ُ ل الحمد ُ لله ِ الذي نجانا الذين َ ج ا ن ا من القوم الظالمين الحمد لله อายาสแรกนะครับอายา ท, ที่ยนะี่ยี่สิบเ็ดนะครับอ่าน่าไงานอะินนาหุโมกรอกูลอินนาหุมมกรอกูลแปลว่าแท้จริงพวกเขาถูกให้จมน้ำตายนะครับพวกเขาถูกให้จมน้ำตายนี่อัลอเล่าในคัมภร์กุมอ่านเลยนะครับฉะนั้นคนที่ตายในวันนั้นในสมัยเดบีนวัวเนะี่ยพวกเขาไม่เอาอิสลาม เขาไม่เชื่อนบีนวัวอะเลฮิสลามมายอมขึ้นเรือพี่น้องไม่เชื่อที่นบีนวัวมาสอนอเล็กก็ลงโทษโดยการให้จมน้าตายเมื่อกี้อิหมามอ่านอิหมามเนี่ยอิหมามเสียบริสุทธิ์ไดที่อ่านว่าไงนะไม่ใช่ตายแล้วจบน้ามันไม่เชื่อยากจะเชื่อว่าตายแล้วจบนะที่เขาจมน้เพราะก็ทําผิด เมื่อตายแล้วเนี่ยฟาอุตอะคีรูอัลลอฮฺจะให้เขานั้นเข้าไปอยู่ในไฟนรกต่ออีกใช่ไหมไม่ใช่ตายแล้วจบอย่าคิดว่าตายแล้วจบอ่าอันนี้เข้าขึ้นสวรรค์แล้วไม่ใช่ตายแล้วแต่หากมีความผิดจะต้องถูกลงโทษจากอัลลอฮฺฟาอุดอะคีรูนะร๊ออัลลอฮฺจะให้พวกเขาเหล่า น, นั้นไปอยู่ในไฟนรกต่ออีกหลังจากตายไปแล้ว ขณะนี้เรากําลังพูดเรื่องเรือนบีนุ่อยู่นะอายาติยิสเกตพูดเรื่องเรือนบีนุวอยู่นะครับอัลลอฮ์สั่งให้นบีนุ่เนี่ยต่อเรือบีอาอยู่ในนะโดยการดูแลภาษาอุดุวนนิกดานีโดยการดูแลของอัลลอฮ์และให้สร้างตามวาฮีที่อัลลอฮ์สั่งนะครับเอาใส่อย่างนี้ไม้ทําอย่างนี้อย่างงี้อัลลอฮ์สั่งหมดเลยครับพี่น้องแล้วก็อัลลอฮ์ก็เล่าอยู่ว่า พอสร้างเสร็จแล้วนะอจะให้น้ำเนี่ยมันพวยพุ่งขึ้นมาแล้วก็สั่งอีกให้เอาสัตว์ทุกชนิดเนี่ยลงไปในเรือทีละคู่นะอย่างละสองคู่สองคู่สองคู่สอง ค, องคู่รวมไปถึงครอบครัวของนบีนัวด้วยแต่ได้ขึ้นป่าครอบครัวนั้เป็นนัวไม่ได้ขึ้นภรรยาไม่ได้ขึ้นลูกบางคนไม่ได้ขึ้นเพราะอะไรนะเพราะไม่เชื่อนะครับ แล้วก็ต่อมาอายาที่ยี่สิอธิบายยังไงครับไฟอิรต์ตะไวตะอันตะคั้นเมื่อนบีนวัวเนี่ยและผู้ที่ร่วมอยู่กับท่านมัมมาอากะแปลว่าคนที่อยู่ร่วมกับท่านมาแปลว่าอยู่กับท่านว่ามัมมาอากะแปลผู้ที่อยู่ร่วมกับท่านอิรต์ตะไวตะแปลว่าลงเรือลงเรือเรียบร้อยแล้วมานั่งอยู่ในเรือเรียบเรียบร้อยแล้ว ท่านน บ, บีนัวเอย๋ยและผู้ที่อยู่ร่วมกับท่านอาลัลฟุลกีแปลว่าอยู่ในเรือเมื่อขึ้นเรือเรียบร้อยนะครับนั่งอยู่บนเรือเรียบร้อยแล้วนะอัลลอฮฺสั่งนะนัวเอย๋ยและใครอีกครับแต่คนที่ขึ้นเรือพร้อมกับท่านนั้นให้ทําไงฟักลุลให้ขอดวอาอัลลอฮฺเป็นน้องให้ขอดวอาขอบคุณอลัลลอฮฺเป็นน้อง อัลลอฮ์สั่งหมดเลยเนี่ยใช่ไหมจะขึ้นเรือก็สั่งสั่งว่างไงนะให้กล่าวว่าอย่างงี้อัลฮัมดุลิลขอบคุณบรรดาบรรดาการสรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอ์ให้สั่งให้นบีนุขอบคุณแล้วก็สั่งให้คนที่ขึ้นเรือพร้อมกับนบีนว่ขอบคุณแต่ซาตาอมันจะสั่งสั่งคนอาจฉะนั้นคนที่ขึ้นเรือแล้วแล้วไม่ได้อ่านดวอาทำตัวเหมือนอะไร นี่เราเราเรานึกนึกเอานะโอ้ใช่เดี๋ยวอลัลลอฮฺไมาจะสร้างสัตว์จะสร้างคนนะครับฉะนั้นใครที่ขึ้นเรือในวันนั้นนะเราก็ไม่ได้อ่านดูอาตามที่อลัลลอฮฺสร้างเขาคนนั้นแตกต่างอะไรกับสัตว์เดราาัจฉานอัลลอฮฺอักบารเนี่ยพอใช้ปัญญานึกหนึงนึกโอ้ใช่ใช่เลยใช่เลยใช่เลยเอ่านดูอาว่าไงครับดูอายาวนิดหนึ่งนะ الحمد لله الذي ن น ا ن ا من القوم ا ل ظ ا ل ล ي ن บรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺอัลละีผู้ที่นัดยานะทรงให้พวกเรานั้นพ้นนัดยาแปลว่าปลอดภัยทําให้พวกเรานั้นปลอดภัย มินัเก้มีรอดิมีจากหมู่ชนผู้อาธรรมให้สะกดภัยจากหมู่ชนที่อาธรรมพี่น้องสั่งให้นาดีนัวสั่งให้คนที่ขึ้นเรือพร้อมกับนาเียนัวขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮฺบะฮาเวะตะลพี่น้องครับอุลามาตับซิท์อธิบายบอกว่าอายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺต้องการจะสอนมารยาทสอนอัครา ให้กับนบีและบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเวลาได้รับนิ่ยอามัดเรือที่เป็นนียอามัดหรือเปล่าเนี่อามัดนบีนวัวสร้างเสร็จแล้วเมื่อจะขึ้นเรือให้ขอบคุณอัลลอฮ์ س ب ح ا า ه และุสุลต า, ลานั่นนั้นอุลามะอธิบายต่อว่าที่อัลลอฮ์เล่าเรื่องนบีนวัวให้คนที่อ่านกุรานให้ท่านนาบีมุฮัมมัดฟังในวันนี้ต้องการจะเตือนคนอ่านกุรานด้วยว่า ทุกครั้งที่ท่านได้รับเนี่ยอามัดจากอัลลอฮ์จะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าเนี่ยอามัดเล็กเนี่ยอามัดใหญ่ให้ทําไงนะให้ขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหูตะอะไรโอ้เนี่ยเป็นข้อเตือนใจที่ดีใช่ไหมเล่าเรื่องนบีนวให้เราฟังนวลนะเวลาจะขึ้นเรือเมื่อขึ้นไปแล้วอัลลอฮ์สั่งนวเอ้ยให้ขอบคุณอัลลอฮ์นะแล้วก็บอกให้ใครคนที่ขึ้นพร้อมๆเรือกับท่านนั้นนะให้ขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาลา ปุลมะอธิบายว่าไงนะสอนให้เราวันนี้เวลาได้รับเนี่ย ม, มัดจากอัลลอ์จะเป็นเนี่มมาายมัดใหญ่หรือเล็กก็ตามให้ขอบคุณอลัลลอ ه ะุ์ุุุุุุุุุวว่าไงนะุุุุุุุุุุุนนลลุุนุุุอุุุุุุนุุุุุนะุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ่ า, าุนนุุุุุุุุุุุุุุุุุอุุุอุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ่ อ่ะคุณพ่อสอนแม่แม่อ่าไปสอนลูก อ, กอีกลูกลูกจะดื่มน้ำอ่านบิสบิลล่านะจะใส่เสื้อผ้าบิสบิลล่านะกระสมจะสงกระจกนะสองกระจกเนี่ยบางคนไม่ได้อ่านุกอา์ทั้งชีวิตเลยนะอ่ะผมสอนทุวอาร์สองสองกระจกนิดนึงนะอัลลอฮุมะกะมาฮัสซันตะคอลฟีฟาฮซินคูลูฟีแปลว่าอะไรโอ้ Allah พอยืนสองกระจกเนี่ย เห็นใบหน้าเรามันสวยรูปร่างมันสวยหมดเพราะฉะนั้นเอาลอโปดทำให้มารยาทของฉานนั้นสวยเหมือนรูปร่างที่อัลลอ์ให้มาอัลลอฮุมักกะมาฮัสตันตะขอลกีฟะฮัสซินคูลุตีต้องขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอ์ให้กระจกมาอัลลอ์ให้ร่างเรามันสวยไปน้องอัลฮะมดุลิลาะอัลลอฮ์อัลลอฮุมักกะมาฮัสตันตะคอลกี พระฮาซนคูลรกีอย่างนี้เป็นต้นแต่้านนี้หมัดทั้งหมดเป็นของดีหมดเลยอันนี้ฝนกำลังตกขอบคุณเลาว่าไงอัลลอฮุบมาซอยิบันนาฟิฮันโอ้อัลลอฮฺให้ฝนที่ตกลงมามีประโยชน์อย่าให้น้ําฝนที่ตกมานั่นทําให้ต้นไม้ตายเราไม่รู้ขออุทิศอัลลอฮฺให้น้ําฝนที่หลงลงมานั่นมีประโยชน์ต่อตัวเราต่อสรรพสิปปส่งที่อยู่บนโลกดุนยาแบ น, นี้ให้ขออุทิศอัลละฮฺ ให้นึกถึง Al illah, องัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลฮัมดุลิลลาฮิณางทีนี้มาในสมัยนบีมุมั m m a d พูดถึงเรื่องการนั่งเรือหรือว่าขี่ยานพาหนะ่านในสมัยนบี ม, มุ hammad นดี้อัลลอฮ์จะสอนนบีเรื่องมารยาศสอนคนที่จะขึ้นรถนะครับจะลงเรือจะขึ้นเครื่องบินในสมัยนี้ อัลลอ์บอกกับนบีให้นบีมาสอนให้อ่านดูอาบทนี้นะครับคนที่จะขึ้นเรือขึ้นเครื่องบินนะครับขี่รถให้อ่านอย่างนี้ครับอัลลออะลัุอบัุก่อนสาครั้งนะอัลลอะลัุอะบดุอัลลอะลัุอะแล้วก็กล่าวสับอฮฺอัลลัลลอฮฺุลลอฮฺอัลลอฮัลลลลอฮฺกลลอฮฮัลลัฮอลฮลฮ ว่าอินน้าอิลลารับบิَาละมุงกาลิบุนเน็นยังครับนี่เป็นคำพีอัลกุรอานสุรุอัลจุครุอายะที่สิบสามและสิบสี่สองอายะเดี๋ยวน้องดูคำแปลสุบฮานัลละดีสคารอลแนะฮะแต่มหาบุญสุดยิ่งแต่ล l l a h ผู้ได้ทรงประทานยานผานะเป็นประโยชน์แก่เรา และเราไม่มีความสามารถที่จะควบคุมมันได้เห็นไหมขนาด จ, จับพวงมาลัยแล้วเนี่ยยังบอกกับอัลลอฮ์นะฉันนี่คุมไม่ได้นะได้แค่นี้แหละแล้วก็จริงไม่ล่ะชนกันวันละกี่ครัง้งกี่คันแล้วตายกันมากี่กี่คนแล้วฉะนั้นต้องมอบหมายตนต่ออัลลอ์นะครับ ขนาดขับรถนะมีระจราจรนะมีนู่นไฟเขียวไฟแดงมีคนขับจบมาอย่างดียังตายเลยใช่ไหมละ่ะเนี่ยพราะเราอ่านอ่านตัอัอขึ้นรถเนี่ยสอนตัวเราว่ามาอะไรนะว่าอินนาว่ามาคุณนาละหูมุกเดนีนแล้วเราไม่มีความสามารถที่จะควบคุรมรถนี่ได้อะบางทีมันเผลอไป น, นิดนึงเวบไปแล้วใช่ไหลับๆแล้วก็ตายกันแล้วสงการยังไมาตายไป็นไร หลาร้อยอย่างนี <No> ้เ <statistically> ป <uther gra bs> ็นต้นนั่นเพราะเมาใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นว่าอินนาอิลลาโรบินาลดมุงกอริบูนเดอแทจริงเราจะต้องเป็นผู้กลับไปสู่พระผู้อาภิบาลของเราอย่างแน่นอนเห็นไหมขับรถโอกาสตายมีไหมมีเตือนสติเราตลอดเวลาเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์นะอัลฮัมดุลิลลาฮ์จุลต่างๆครับฉะนั้น ในสมายน บ, บีนัวอัลลอฮสอนให้น บ, บีนัวขออุดมอัลฮัมดุลิลลาฮิละดีนัดจานามินัลกาวมิราะลิมีนตอนขึ้นเรือนั่งเรือเรียบร้อยแล้วทีนี้ในเครื่องบินเนี่ยบางคนอ่านอ่านอุดไม่เหมือนไม่เหมือนอุดมบทนี้คนอ่านตัวนี้บิสมิลลาฮิมัจเรฮ์ฮะวะมุตซาฮะของปากีสถานแอร์ไลน์ใช่ไหม ทศวรรใญ่ขาอ่านสุ b h a n a l l a d h i sakhralana هذا وما كرنا له مقرنين و إ ن َّ إ ل ى ر ب ن ا ل م ُ ق َ ل ِ ب ُ و ن َขี่รถกรอ่านอุทธบทนี้ขียานพระนก็บทนี้ขี่สัตก็อันอันบทนี้อันอันบทเดียวกันนะครับนี่เป็นการขอบคุณอัลล์สุบฮานาอูตอัลละอ้าวต่อมาพี่น้องอายาที่ยี่สิบก้า و ق ُ ر َ رَبِّ أ َ ن ز ِ ل ن ي م ن ز َ ل ا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ و َ ق ُ ر َ رَبِّ أ َ ن ز ِ ل ن ي م ن ز َ ل ا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ อายาที่ยี่สิบ้องการจะอธิบายว่าเมื่อเรือจอดมันจกีนสอนเรืร่องการขึ้นเรือใช่ไหยให้อ่านดูอ่แล้วก็สอนเรื่องการเรือจอดอีกเออพี่น้องครับพอเรือจอดนี้นะให้กล่าวอีกว่ากุลกุลว่าไงนะจงกล่าวเถิดมฮัมหมัดเอย๋ยกล่าวว่าไงครับรอบบีข้าแต่พระผู้อาริบาลของฉันเอย๋ยอันซิลนี ได้ทรงโปรดให้ฉันลงจากเรือหรือว่าเทียบเรือหรือเทียบท่ามุนจาลามโมบาเรากันเป็นการเทียบท่าที่มีความจำเริญยิ่งขอบคุณ Allah อัลลอฮ์กอยู่บนเรือนี่กี่เดือนวันลอวาลดัมนะครับบางคนวันนานนะครับทีนี้อัลลอฮ์เล่าอุตอนจะจอดเรือจะเทียบเรือจะลงจากเรือก็ให้อ่านดุอาขอบคุณ Allah อัลลอฮ์ก อัลฮัมดุลิลลาห์น้องนี่เป็นมารยาททั้งหมดนะว่าอันตะคอยรุลมุนซิลีนพาะพระองค์ทรงเป็นผู้เยี่ยมคือดีเลิร์แห่งบรรดาผู้ให้เทียบท่าหรือให้ลงจากเรือไม่มีใครนะครับที่จะให้เรือเนี่ยเทียบท่าหรือลงจากเรือดีเท่ากับอัลลอสุบฮานาหูอัตาแล้วอันนี้สอนมารยาทคืเป็นครับจะลงเรือขึ้นเรือ ไอ้ลงเรือจริงๆนะก็อ่านอาบทไหนกันนะอาลงเรือมีนะบิสมิลลาฮิมามชลาวะมุซาฮผมไปลงเรือเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยอัลล์นึกดูอาลืมอาบทไหนเนี่ยนึกได้นบิสมิลลาฮิมาวะมุซาฮนะครับแล้วก็อะไรมีอีกวหนึ่งอินนัลลอฮอะไรวาูรุรฮีมัลืมละว่าไงนะ อินนารบีลาบอฟูรุลฮิมเนี่เป็นการดุอาที่ลงเรือนะครับทั่มตุลิลลาสรุปสองอายานี้อัลลอฮสอนน บ, บีนุ่นเรื่องอัคลาด น, น, น, นะครับสอนเรื่องอัคลาดนะครับหนึ่งจะลงเรือให้นึกถึงอัลลอเมื่อเธอเรือเทียบแล้วให้นึกถึงอัลลอปัญหาว่าเรือจอดที่ไหนอ่านั่นเป็นประวัติศาสตร์จะต้องศึกษากันแต่วันนี้ไม่มีเวลาอธิบายจะศึกษาเอาเอง นะครับศึกษาหาเอาเองหาเอาเองนะเรือจอที่ไหนนะเรือที่ตุรกีฮัมเดรล่า hmm. ใช่ไหมก็ oh, เรื อ, อยังอยู่ใช่ไหมฮัมยุลิเล่ย์ก็นอนนั่นน่ะน่าคิดนะโซฟาโรก็ยังอยู่เรือตุรกีก็ยังอยู่น้ําำดำๆก็ยังไหลอยู่สแสดงถึงความสามารถของอัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาแล้วนะครับเอาต่อมาอายาที่สามสิบ <c oughs> Innafi d z a l i k a l a ayat, wa inkunna lamu batalin. Innafi d z a l i k a l a ayat, wa inkunna lamu batalin. Allah u a k b a r a a l a d i maklum le ayat ni. Innafi d z a l i k a แท้จริงในเรื่องราวนี้เรื่องราของน บ, บีนัวเนี่ยนะลาอาญาตินมีอะไรนะมีสัญญาณเป็นพระหูพจน์นะอาญาถ้าอาญาเป็นเอกพจน์ถ้าอายาเป็นพหุพจน์มีสัญญาณมากมายให้เราได้เรียนอัลลอฮฺเป็นน้องเห็นไหมครับนี่อัลลอฮฺสอนเนีเราใช้สมองเราใช้ปัญญา เพื่อมาให้เราเป็นโรคอัลไซเมอร์อินฟิลาลิกาและอ่าแท้จริงในเรื่องราวของในบีนว่านี้นะ่ะมีสัญญาณมากมายอุลามะตับเซตผมอ่านจากภาษาอุรดูในะพี่น้องเขาอธิบายอย่างนี้นะคำว่าสัญญาณมา ก, ม า, กมายหนึ่งการที่อัลลอ์ตั้งรอซูลคนหนึ่งมาสอนเรื่องเตาฮ e a เห็นไหม ทุกยุคทุกสมัยอัลลอฮ์ส่งรสูลสรงนบีมามาสอนทุกยุคทุกสมัยไม่ให้คนนั้นลืมอัลลอฮ์สุบฮานาววดอลัลดาเรื่องที่สองผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่เป็นเป็ น, ปนอาญาเป็นสัญญาณนะที่อุลเลม่าเขาสรุปให้เราเรามาต้องคิดเองนะผู้ศรัทธาต่ออลัลลอฮ์คือศรัทธาต่อนบีได้รับความคุ้มครองให้ปลอดภัยจากการลงโทษเห็นไหมคนที่เชื่อ อ, อัลลอฮ์เชื่อรสูล เวลามีอาดาบมาอาลัลลอจะให้คนที่ศรัทธาต่ออลัลลอแต่ระซูลปลอดภัยจากการลงโทษในเรื่องที่สองเรื่องที่สามผู้ไม่ศรัทธาต่ออลัลลอจะเป็นยุคไหนก็าตามถ้ามีการลงโทษมาเขาจะได้รับการลงโทษอย่างครั้งนี้ให้จมน้าตายนี่เป็นข้อคิดเป็นข้อเตือนใจนะครับข้อที่สี่ปน้องน้าท่วมแผ่นดินไว้ เนี่ยดินน้ำลมไฟสื่อรายการอุลมะอธิบายดีมากเลยนะดินน้ำลมไฟขณะนี้อยู่ในสภาพปกติถ้าหากจะให้แรงกว่านี้กลายเป็นอาซาบทันทีขณะนี้เป็นเนียอมัดใช่ไหมเป็นความโปรดป้านถ้าหากว่าแผ่นดินเนี่ยมันเกิดเกิดจะใชนะอ้าไว้กลายเป็นอาซาบถ้าอากาศถ้ามันร้อนกว่านี้กลายเป็นอาซาบ ถ้าฝนตกมากกว่านี้กลายเป็นอาดับลมเดินมากันถ้ายมพายุมาแรงๆกลายเป็นอาดับฉะนั้นของที่อัลลอฮ์ให้มาทั้งหมดสีรายการเปลี่ยนเป็นอาดับได้ทุกเวลาท่า น, นต้องนึกถึงอัลลอฮ์ไปน้องนึกถึงอ AH, AH, ัลลอฮ์อัลลอฮ์อากรบท่านสี่รายการดินน้ำลมไฟขนา น, นี้อัลลอฮ์ให้มาเป็นนี่ยอามัดอันยิ่งใหญ่แต่หลายคนไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาบูฮฺอัลล มาคืนเนี่ยบางคนคงนอนนอ น, นอนไม่หลับมีใช่ไหมเพิ่งนึกถึง Allah. อัลลอฮตอนนอนสบายๆเนี่ยฉันแน่ฉันเก่งสารพัดพอนอนไม่หลับสังหนึ่งคืนยาอัลลอช่วยหน่อยเธอไปไม่รอดเลย <c oughs> ใครที่นอนไม่หลับผมขอแนะนำนะให้ไปแปลงฝันอาบน้งน้ำมาน้ำมาสักแปดเรากอ็อาดตามโดยเวยเต็ดอีสามเดี๋ยวหลับเดี๋ยวหลับถ้าตื่นมาดูละครตื่นมา กินนู่นกินนี้ยิ่งไม่หลับเลยเลยถ้าผ่านนมาอิอร a l ล a ะหลับแล้วมีดูอาอา์อีกนะครับัอต่อมาครับ <c oughs> อายะที่ยี่อายะที่สามสิบและอายะเนี่ยมีสัญญาณเตือนใจเราให้นึกอะไรเยอะไปหมดเลยนะอีกข้อหนึ่งก็คืออัลฟุลกุเรืออ่าเรืออายะเนี่ยเรือนาบีนวน่ะถ้าไม่เรานึกเอาล่วันนี้ ที่เป็นเนื้อมัดนันยิ่งใหญ่นะคนที่มีเรือธุรกิจเรือดีไหมดีมากเลยแต่ได้เรือจับปลาออกไม่ได้ต้อมีเอกสารเยอะมากทำโน่นทำ น, น, ทำนี่ทำอะไรผิดเยอะอ้วาวกวาดไปตามหล ก, การตัลนว่าอินนาฟิซาลิกลาลาอัสัญญาณของนบีนัวเรื่องเดียวนั้นมีเรื่องให้ใช้สมองตั้งเจ็ดแปดรายการใครที่เรียนเยอะก็รู้เยอะ อ, อ่านทบายได้เยอะเรียนน้อยก็ อ, อ่านน้อยก็ อ, อธิบายน้อยเอาตัวมาเอาวัคสุดท้าย ว่าอิงคุณละมุบตาลีอัลลอฮฺอาบดุลและแท้จริงเราได้ทดลองทดสอบเบาวของอัลลอฮฺอย่างแน่นอนละมุบตาลีสแปลว่าอิมติลละอัลลอฮ์ ah ทดสอบเบาทุกคนอัลลอฮ์พี่น้องเห็นอย่างครับการทดสอบเนี่ยเราชอบไหมลองถามดูสิชอบหรือไม่ชอบทดสอบไม่มีใครชอบสักคนหนึ่งแต่อัลลอฮ์ชอบ อัลลอฮ์ชอบให้มีนูน่นมีเกิดนั่นเกิดนี้เกิดนี้เกิดนั่นเต็มไปหมดเลยยังเกิดเนี่ยเมื่อวันซืนเนี่ยใช่ไหมที่ไหนนะที่ศูนย์กลางใช่ไหมทุกคงถูกใครกันนี่เป็นอิปิีระทั้งหมดเลยนะถ้าเรามองด้วสายตาที่เป็นกลางนะ Allah, อัลลอฮ์อัลลอฮ์ทดสอบเต็มเลยเด็วคุณนั่นถูกดายนี่ถูกฟิตรนะโอ้เจ้าของ เอาเรื่องนี้เรื่องเรื่องเรื่องสังคมเรื่องเรื่อ ง, องบ้านนี่แหล ะ, ะพรายพรยาภรรยากาับสามีมันไปลงกันลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่มันมีบาละทั้งหมดนั่นแหละฉะนั้นวอิญกุ่นนาเล่ามุบตาลีนแท้จริงเราเนี่ยได้ทดสอบบ่าวแน่นอนเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์ไม่มีอะไรเกิดโดยที่อัลลอฮ์ไม่รับรู้ไม่มีครับเราไฟเขียวไฟเขียวไฟเขียวไฟเขียวเพืเ่ออะไร ท ด, ทดสอบทุกครั้งต้องได้ข้อคิดทดสอบทุกครั้งต้องได้ข้อคิดเมานาอบดุลลสันพู้บอกว่าการทดสอบแต่ละครั้งที่อลัลลอฮฺส่งมานั้นคนที่มีปัญญาได้ข้อคิดเยอะมากเลยแต่หลายคนเนี่คิดไม่ออกคิดไม่ออกแต่หลายคนคิดออกเออเป็นข้อเตือนใจถ้าเราทําแบบนี้เราก็ต้องถูมแบบนี้เหมือนกันจะนั้น การทดสอบจากอัลลอฮ์นั่นเป็นเรื่องดีเราอย่ามองเป็นเรื่องไม่ดีเพราะตรงนั้นมันมีข้อเตือนใจมีข้อคิดเยอะยะไปหมดชาติพี่น้องต้องร้ายแต่พวกเราไม่ชอบถูกทดสอบใช่ไหมอย่าลืมอนมาทดสอบให้รวยอย่าทดสอบเปล่าชอบไหมเขาว่ารวยนี่อาจชอบทุกคนอ่ะอตอนรวยน่าชอบอตอนอตอนจนชักไม่ชอบ แนั้นทางรวยทางจนเจ็บไข้ใดป่วยไม่สบายปัญหาเกิดขึ้นเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์ Allah, ทั้งหมดเราต้องได้ข้อสิดข้อเตือนใจจากการทดสอบของอัลลอฮ์แต่ละครั้งละครั้งละครั้งละครั้งนะครับเอาต่อมาอายาที่ส1สซุ่มม่านชะนามิบาดีหิมกรณ์นั้นอครน สุมมะ อ, อันชาณะมิมบัดดิมกรนันอัครีอันชาณะแปลว่าเราได้บังเกิดเราได้บังเกิดมิมบัดดิหมหลังจากหลังจากนาบีนวัวมิมบัดดิมหลังจากกลุ่มชนนบีนวัวหมดไปแล้วพี่น้องก้อนนั้น แต่ว่าชนรุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งอาคอรีนกลุ่มรุ่นใหม่ชนรุ่นใหม่ให้เกิดเพราะว่าพอนาบีนัวกลุ่มนาบีนัวจบไปพี่น้องแต่คนตายไม่หมดนะไอเหลืออยู่นั่นเพื่อจะรับผิดชอบคนรุ่นรุ่นรุ่นรุ่นหลังต่อไปอีกมีเผ่าพันธุ์เก็บเก็บเก็บรักษาเอาไว้หลังจากนาบีนัวจบอเล็กก็ให้กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเอกมาทางานศาสนาอีกพี่น้อง ใครรู้ไหมกลุ่มนบีอา่ากลุ่มกลุ่มสมุทรมันมีอาตสมุทรสองกลุ่มหลังจากนาบีนุ่วมาอาลัลลอฮ์ก็ส่งนบีฮูดมานาบีซอนแลกมามาสอนต่ออีกพี่น้องแต่มันก็ห่างนะบางทีห่างเป็นพันๆปีก็มี5 0ารปีมีเช่นจากนาบีอิสามานาบีมุฮัมมัดห่างกี่ปีนะประมาณ500อกว่าปี จากนบีนุฮามานบีแตละบีบางที่ห่างถึงพันปีกว่ามีไอต้นห่างพันปีเนี่ยทำให้คนชิริดกฝ่าอัลลอฮ์เยอะมากเลยตัวรูว่าคนนี่เผลอไม่ได้นะเผลอพับเนี่ยทําอะไรทําบาเผลอไม่ได้ทํำบาบ่อมีผู้นํามาต่อต้านเขาอีกนี่ไงมนุษย์เป็นอย่างนี้แหละพี่น้องเอามาดูอายานี้ซุมมานชนาณะ มิบารดิหิมก้อนนั้นอคดีนแล้วหลังจากพวกเขาหลังจากนบีนวัวเราได้บังเกิดหมู่ชนอีกรุ่นหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกอาดและพวกสมูรอธิบายไว้เลยพวกอาดและสมูดไปน้องสองกลุ่มนี้ก็อร่อยจริงๆอัลลอฮฺพานักไปน้องอร่อยจริงๆพวกนี้ ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยพี่น้องพวกอาดพวกสมุตเนี่ยทีนี้อาดสะมุตเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมานีพี่น้องพอส่งมาแล้วพี่น้องครับส่งนบีซอลแลห์มาอ า, ส า, า, าสดส่งนบีฮูดมาสะมุตส่งนบีซอลแลห์มามาสอนนะ่ะพวกนบีซอลแลห์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ให้มุอาจิซัดให้อูดให้อูดมาตัวหนึ่ง เดี๋ยววันหลังอธิบายเรื่องนี้นะครับอัลลอ์ให้อูดมาครับพี่น้องแล้วพวกนี้ก็ทำลายอูดฆ่าอูดเสร็จแล้วอัลลอ์ก็ลงโทษลงโทษแบบไหนรู้ไหมครับซอยหาตันมีเสียงดังๆจากชันฟ้าเสียงกัปรนาาลงมาเนี่ยตายหมดเลยนั่นเป็นการลงโทษของอัลลอ์ก่อนหน้าสมุทรอาร์ดลงโทษโ ด, ดยให้จมน้ำตายพอมาสบายนาบีซอลแลนบีฮูตอัลลอฮ์ลงโทษแบบไหนนะ บอกให้มีเสียงจากฟ้าฟ้ า, ฟาลงมาเสียงมละลาอิกาอะไรพี่น้องมาอายตะคอกพักจะเงียบมันพังหมดเลยอะหูามารับไม่ไหวพี่น้องแก้หูแตกหมดตายหมดพี่น้องนั่นก็จะว่าซอยหาเสียงกั บ, บันนานเสียงดังๆลงมาจากชั้นฟ้ามาทุข้าคนที่ไม่อิมาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาตาอะไรจะได้พออ่านกูอ่านต้องเกอัลลอฮ์ว่ก Allah บทีวันนี้ คนที่ทํำบาปแบบสมัยนบีซอล่ามีไหมมีแบบสมัยนบีนัวมีไหมมีฉะนั้นถ้าเต่าบาตัวต้องรีบต่าบาตอนนี้แหละยังแข็งแรงอายุหกสิบสามแล้วนะเต่าบาตัวใดแล้วบางคนเจ็ดสิบห้าแล้วต่าบาตัวใดแล้วไปนองฉะนั้นอย่ารอบางคนนี่เนี่ยจะไปทำฮัตปีหน้านะจะไปต่าบาที่มัก้าแต่ตอนนี้รอไปอีกเจ็ดแปดเดือนจะรอทําไมอะ ทำไมต้องรอล่ะรีบตะาตัวพอรู้ว่าจะไปมาการรีบตะาแต่วันนี้เลยอย่าไปรอตะาตัวที่ลางตอะาอย่าไปรอตรงนั้นถ้ามันเกิดตายไปก่อนแล้วทําไงเอาลอพี่น้องนี่ไงฉะนั้นการฟังศาสนาเนี่ยมันดีอย่างยิ่งเลยทั้งหลายให้เราได้ตะ巴ตัวต่ออัลลอฮ์สุบฮานอูวะต์อัลละเอาต่อมาครับพี่น้องอายาที่สามสิบสอง أ َ ر ْ س َ ل ْ نا فيهم رسولا منهم أنيعبد الله ما لكم َُ من إله َ غيره أفلا تتكون الله أكبر فأرسلنا فيهم رسولا منهم أنيعبد الله มาลลุุมมินอิลาฮิน غ ยรุอฟลาตตกูนอัลลอฮอักบารเนี่อัลลอ์เล่านะครับฟาอัลนาดังนั้นเราจึงได้ส่งอัลซานาแต้เราได้ส่งแต่งตั้งไม่ใช่เลือกตั้งแต่งตั้งอัลลอฮ์ Allah ได้ส่งใครครับฟีหิม ในหมู่ชนของเขานั่นและทรงคาครับรอสู้ล้นรอสูลคนหนึ่งมินหุ้มจากกลุ่มของพวกเขาเองอธิบายยังไงพี่น้องอุลามะอธิบายอย่างนี้ว่าอัลลอฮ์นี่น่ะสอนวิธีการเลือกผู้นําเลือกผู้นําเนี่ยต้องเลือกคนในหมู่บ้านตัวเองดีที่สุด ยิงมาทํางานศาสนาเนี่ยเป็น้องมาสอนนู่นสอนนู่นทํานู่นทํานี้โดยจะเลือกเป็นสอขอสอวอะไรก็ตามแต่สอขอก็ได้อต้องเลือกคนในหมู่บ้านเอาคนอื่นมาชาวบ้านรับไหมไม่ทราบอยู่แล้วฉะนั้นเลือกคนในหมู่บ้านมาเป็นผู้นําทีนี้อัลลอฮฺต้องการจะบอกว่างานศาสนาเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่างานอื่นทั้งหมดฉะนั้นรอซูเนี่ยอัลลอฮฺส่งนะเลือกคนในหมู่บ้านเนี่ย เอามาทํางานาศาสนาสอนคนในหมู่บ้านตัวเองหมู่บ้านใคยบ้านมันหมู่ใครหมู่มันรับผิดชอบดูแลตัวกันเองถ้าเอาคนอื่นมาสอนมันค้านเองเอ็กเอาใครมาเนี่ยไปเอาคนที่อื่นมามาดังกับคนในหมู่บ้านไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไส้ดีกว่าอะไรนะอ่าละที่ว่าว่ากันอยู่นะใช่หนหมดแล้วล่ะน้องอ่าทีนี้อัลลอฮฺส่งเราซูนมาแต่ละคนแต่ละคนมาทําหน้าที่อะไรครับ อันนี้อับดุลลอห์มาสอนให้เคารพพักดีต่ออัลลอฮ์องเดียวมาละกุมมินอิลาฮินกอรุมาละกุมแปลว่าพวกท่านไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์มาสอนครับเหมือนนบีนวงมาสอนเหมือนกัน ตอนน บ, บีนัวมาสอนนะ่ะเขาด่าน บ, บีนัวกี่ข้อนะห้าข้อใช่หรือไม่ใช่จําได้ใช่ไหมด่าน บ, บีนัวกี่ข้อนะห้าข้อขออีขอทีหนึ่งน บ, บีนัวเนี่ยมันคนแถวบ้านเราเราไม่เชื่ออยู่แล้วสองน บ, บีนัวอยากดังใช่ไหมอยากเด่นต้องถูกดา่าไปเน้องและอีกข้อหนึ่ง ถ้าหากว่าอัลลอฮ์จะส่งมาสอนจริงๆต้องส่งมาละอิก้ามาจะส่งคนข้อที่สีเราไม่เคยได้ยินคําสอนของนบีนุ่น่ะสอนว่าไงนะพระเจ้าองค์เดียวเราไม่เคยได้ยินได้ยินมีหลายหลายองค์ในอินเดียมีสามหมองค์ได้ยินแต่เรื่องพระเจ้าหลายองค์หลายองค์น่นอนนี่มาแปลกมาสอนให้มีให้เหลือพระเจ้าองค์เดียวเหมือนนบีมุฮัมมัดมาสอนที่มาก า, การ์ตุเหมือนกันนับถือพระเจ้าองค์เดียวคนเชื่อไหม อัลลอฮ์ไม่มีใครเชื่อเลยพี่น้องต้องอพยพจากนครมาการ์ไปอยู่ที่มดีนะแล้วก็มณีก็ทำงานสำเร็จเหมือนกันครับพี่น้องอันนี้อบูดุลลอห์พวกท่านไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อฟาฟะตัตะคูลพวกท่านยังไม่สำรวมตนให้พ้นจากความชั่วบูชารูปเจเวตอีกหรืออัลลอฮ์พี่น้องทั้งหลายครับ ตัวว่านาบีแต่ละคนมาสอนนั่นมาสอนเรื่องอะไรครับเรื่องให้นับถือพระเจ้าองค์เดียวตอนนี้เราก็ต้องดูแลลูกเราครอบครัวเราลูกเรามีพระเจ้ากี่องค์วันนี้นี่ผมอ่านหนังสือพบนะก็บอกว่าถ้าพ่อแม่นี่นะไม่เลี้ยงลูกเองจะมีคนช่วยเลี้ยงมาสี่คนถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงลูกเอง นะครับจะมีคนมาช่วยเลี้ยงนะสี่คนหนึ่งโทรศัพท์โทรทัศน์อ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งโทรทัศน์สองเกมสามอินเทอร์เน็ตสี่มือถือสี 4, ท่านนี้จะมาเลยปั๊บมาเลยดัตตสี่ท่านนี้นะไว้ใจไม่ได้สักท่านหนึ่งใช่หรือไม่ใช่หนึ่งอะไรนะโทรทัศน์สองเกมสามอินเทอร์เน็ตสี่มือถือนี่ไงเป็นตัวแทนของพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ไม่สสยไม่ใส่ใจลูกเห็นหมอีละอีสีตัวมาเลย พระเจ้าปลอบอีสี่ตัวมาเลยนี่ไงถามว่าใครทำเราทำกันเองฉะนั้นบ้านใดก็ตามถ้ามาต่อการอีลาสี่ตัวสี่องค์เข้ามาอยู่ในบ้านก็ต้องระวังดูแลเอาใจใส่ดูแลให้ดีที่สุดเนี่ยนักเด็กนเราเรมาทำมาอยู่พอพักอัลลอฮฺเขากว่าปลอดภัยน่ะถ้าอยู่บ้านเนี่ยยังไม่ตือนน่ะพอแม่กับปุกก็ไม่ขึ้นด้วยใช่ไหมขอบคุณอัลลอที่น้องฉะนั้น ถ้าใครไม่เลี้ยงลูกให้รู้จักอัลลอฮ์สี่รายการจะตามมาจาันทีเป็นอิลาตัวปอบหมดเลยหนึ่งโทรทัศน์สองมือถือสามอินเทอร์เน็ตอัลลอฮ์ตามมาเต็มหมดเลยนั่เป็นอิลล่าหมดเลยนะครับโอ้โหครูอิสมาอิเนไม่ยอมเลยทีวีฉันไม่ให้เปิดเลยลูกกลับมาจากข้างนอกกลับมาเอามือค้ำดูก่อนอ่านี่มีคนเปิดแล้วพอพ่อมามันปิดเนี่ย พี่น้องเขาก็ห่วงลูกของเขาถูกไหมถูกก็ทําหน้าที่ก็ถูกแล้วแต่เรารุ่นนี้มาเดี๋ยวห่วงพวกไม่ห่วงเหมือนกันแต่ว่าห่วงให้ลูกมีศาสนานั่นดีกว่าลูกไม่มีศาสนานะครับเอาพี่น้องครับเรื่องรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยมันได้อะไระผมขออ่านปฏิสังสองสามปฏิสันะรู้จักอัลลอฮ์ได้อย่างงี้พี่น้อง ยืนยันในอัลลอฮ์องเดียวพ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักอัลลอฮ์องเดียวและนับถือสุนนะนบีเรียนสุนนะนบีกับเรื่องของอัลลอ์เนี่ยสองข้อนี้พี่น้องครับดูดูประโยชน์นะผมอ่านให้พี่น้องฟังท่านยินอิชชาได้รายงานบอกว่าฉันเนี่ยพญานาบีถามท่านนาบีเองบอรยารารซูลลอฮ์พูดถึงยุดะอานยุดะอานเป็นเป็นคนอาหรับคนหนึ่ง แล้วก็ไม่ใช่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่อีมานต่ออัลลอฮ์ไม่อีมานต่อนาดีมุฮัมมัดแต่เป็นคนดีนะยุนอาเนี่ยในสมัยญาฮิลิยาเป็นคนดีมากครับหนึ่งติดต่อกับเครือญาติสองเลี้ยงอาหารคนยากคนจนดูแลคนในหมู่บ้านคนจนก็ดูแลหมดเลยนะไปหาญาติพี่น้องติดต่อกับญาติพี่น้องเราเลี้ยงอาหารคนจน นางไอาชาถามท่านนาบีวะะ่าฟาฮลราลิกานาฟิอูชายคนนี้เชียรยูดาเนี่ยจะได้ผลบุญรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ไหมนบีตอบละลายัมฟังหูเขาจะไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งสิ้นหลังตายเพราะอะไรครับอินนหูลำยะกุลเพราะยูดาเนี่ยไม่เคยกล่าวคำนี้ในชีวิตของเขากล่าวว่าไงครับ รอบบิกฟิ้ลีขอตีอาตียาอมัดดีใช่ไมรอบบิกฟิ้ลีแปลว่าโอ้ oh Allah อาภัยโทษให้ฉันในวันฟื้นคืนชีพยุดอานไม่เคยกล่าวคำนี้ทั้งชีวิตเลยดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่เขาไปเลี้ยงอาหารคนจนติดต่อกับญาติพี่น้องดูแลพ่ออย่างดีแม่อย่างดี ผลลบุญอัลลอ์ตอบแทนให้บนโลกดุนยาเบนี้หลังตายไม่ได้แล้วใช่ไหมการยืนยัดอยู่กับอัลลอ์เนี่ยให้แน่นแต่ยืนยัดกับสุนนะนบีให้แน่ น, น, กก น, น, ห, น, นหลังตายมีประโยชน์มากกับดูหะดิษอีกหะดิษหนึ่งท่านอนักไดรายงานบอกว่ามังกอละมัมมาแต่ใครที่ตายวะฮุไวยัชฮะดูเขายืนยันว่าลออิลอัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลล์ ว่าอันโมฮัมมัดละ ل อัลลอฮ์ลยืนยันว่ามฮัมหมัดเป็น رسول ของอัลลอฮ์ซอดีกอนด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์มินกลบีจากหัวใจของเขาดัชฮอัลยันนะเขาได้สวรรค์เขาจะเข้าสวรรค์ครับอิหม่ามอ Ahmad ท่านอิหม่ามอัลบานีเป็นห a d i t ที่สุดให้ถูกต้องพี่น้องข้าพเจ้าท่านยืนหยัดกับอัลลอฮ์องเดียวสอนลูกเราให้รักอัลลอ์ อย่าพาลูกไปหาโตตะเกียร์โตระยองนะครับยืนหยัดในอัลลอฮ์ขอดูอาตัวอัลลอฮ์สม่ําเสมอให้หัวใจลูกผูกพันกับอัลลอฮ์ตายแล้วได้ไปสวรรค์แต่หากมีบาปต้องเตาบาตัวก่อนถ้าไม่เตาบาอัลลอฮ์จะลงโทษก่อนแล้วเข้าสู่สวนสวรรค์ที่หลังนะครับพี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องฉะนั้นการยืนหยัดเรื่องเตาเฮตันเป็นเรื่องดีมากเลยพี่น้องและอีกเรื่องหนึ่งขอฝากก็คือ คนที่รู้จักอัลลอฮ์แล้วก็ตายไปน้องเขาจะไม่ได้รับการลงโทษในอาคีร์เขาจะไม่ถูกลงโทษที่กูโบอา้าวที่กูโบเนี่ยที่มาลาอิกามมาสอบนะ่ยสอบเรื่องอะไรก่อนมันรับบูกาใช่ไหมใครเป็นพระผู้อภิบาลของท่านเรื่องที่สองมันนบียูกาใครเป็นนบีของท่านเรื่องที่สามมันอิม่ามูกาใครเป็นอิหม่านของท่านฉันยังกับผูกพันกับอัลลอฮ์ ผูก พ, พันกับนบีผูกพันกับอัลกุรอานสามรายการดังนั้นใครที่ผูกพันกับอัลกุรอานอัลลอฮ์เป็น้องอันกุรอานสม่ําเสมอจะรู้ความหมายเรียนสุนหน้านาบีแลว้วก็รู้จักอัลลอฮ์องเดียวยอดทำชีวิตอยู่ในกูโบปลอดภัยจากการทรมานใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็น้องตลอดเอาต่อมาอายาสุดท้ายว่ากอลลมาเลอุมิ่กูมีฮิลลัซีนักฟะฮู وَكَذَبُوا ب ِ ل ق َ ا ء ِ ا ل آ خ ِ ر َ ة وَأَتَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إلَّا بَشَرٌ م ِ ل ْ ك ُ م ْ يَكُلُ مِمَّا تَكُلُونَ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ الله أكبر. وقال الملاء من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا ب ش ر م ث ل ك م ยาคุลุมิมมะตะคุลุวายาชรวายาชรบุมิมมะตะชรบุอัลลอฮฺอะกบารเป็นตัองดีจริงๆเลย ayah นี้ไปดูกันไปก่อนอัลมาลาตัวหัวหน้าวะโคลัลมาอูหันามิงเตามิฮิจากหมู่ชนของเขา อัลลอฮนะกรฟารูผู้ได้ปฏิเสธผู้ที่ปฏิเสธหมายความว่ากลุ่มฮูดเนี่ยเมื่ออัลลอ์ส่งนบีฮูตมาสอนมีคนต่อต้านมีไหมมีและคนต่อต้านมีหัวหน้าไหมมีวันนี้ต่อต้านอิสลามหัวหน้ามีไหมมีใครครับอ l ล u m ม n นติ CIA หัวหน้ารัฐบาลเกือบทั้งหมดแอนตี้อิสลามหมดเลย หัวหน้ามีครับเนี่ยเราะจะประการเจเอ๋ยนะหัวหน้าของผู้ที่ปฏิเสธอิสลามหัวหน้าที่ขวางนาบีฮูดหัวหน้าที่ขวางนาบีมุฮัมมัดหัวหน้าที่ขวางนาบีนัวพวกนี้มีหัวหน้าแล้วก็มีลูกน้องวันนี้เขารักกันนะขออธิบายก่อนนะหัวหน้ากับลูกน้องเนี่ยรักกันไหมรักกันดูแลด้านการเงินการทองให้นูน่นให้นี่ให้นั่งถึงบินฟรีไปไหนมาไหนสะดวกหมด เองแอนตีอิสลามนะรู้ไหมในวันเกียร์มาเป็นไงครับในวันเกียร์มาอัลลอฮ์เล่าในตะร์ุรานนะอัลอาคิลคนที่รักกันในวันนี้เป็นเพื่อนกันในวันนี้ดูแลกันในวันนี้และแอนตีอิสลามนะเยามาอีรินในวันเกียร์มาบาวดุฮุมหรืบ่าวดินอดุจะกลายเป็นศัตรูซึ่งกันและกันจะทะเลาะกันจะด่ากันอิลัลมุตตะกีนอกจากเป็นเพื่อนกันในทางของอัลลอฮ์เท่านั้นนี่ กูอ่านพูดชัดเลยไปน้องจะได้ใช้ทิรักกันในวันนี้เพื่อทําลายอิสลามทําลายสุนัขนบีทําลายกูอ่านไปน้องครับวันนี้เขาดูแลกันจริงแต่หลังตายแล้วเขากลายเป็นศัตรูกันแล้วก็จะโต้เถียงกันจะด่ากันจะตําหนิกันตําหนิว่าเงี้ยโอ้ล l l a h โปรดลงโทษหัวหน้าชั้นสองเท่าความมันทำให้จะลงอ่ะนี่กูอ่านเล่าไปฟังเยอะทั้งหลาย รบบนาอาตีหิมเตียไฟนมีนลอาบอัลลอฮฺจะลงโทษพวกเขาสองเท่าเห็นไหมวันนี้เอาเงินให้เอาชายเงินสนุวกไปน้องแล้ววันเกียมอาอัลลอฮฺลุงน้องจะขอดูอาตออัลลอฮฺอัลลอจะลงโทษหัวหน้าฉันนี่สองเท่ารบบนาอัตนาซาดานาวะกุบบรออันอลลอฮฺจะฉันนี่นะ่ะผิดไปแล้วเพราะฉันเดินตามหัวหน้าของฉันผู้ใหญ่ของฉันในหมู่บ้านเขาแอนเตอิสลามฉันไม่รู้ เขาก็เดินตามหัวหน้าของฉันอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในวันเกียมักก็ทะเลาะกันตเถียงกันในไฟนรกจะไในเป็น้องนะครับที่ทุกมาชัก ด, ด้วยแลในไฟนรกด้วยเอาทีนี้คนที่ต่อต้านอิสลามเนี่ยสวุวรรใหญ่ว่ากัดซาบูบิลิคออิลอาคีรอพวกเขาปฏิเสธและพูดว่าในวันประโลกเนี่ยไม่มี พวกเขาจะไม่พบกับอัลลอฮ์ในวันอาคิอร็อคนที่ต่อต้านอิสลามเนี่ยคุณน้องหัวใจของเขาเป็นงี้ไม่เชื่อวันโลกอาคิอร็อคมีไม่เชื่อโลกอาคิอระอคมีครับพี่น้องไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นไงตายแล้วตายเลยจะที่ไหนได้อาบบบตายแล้ ว, ต, ล ว, ว, า ต, าลวต้องฟื้นวันอาคิอระอคมีอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องแล้วเป็นยังไงครับว่าอัตรับนาฮุมและแล้ว ได้ให้ความสำราญแก่พวกเขาในชีวิตแห่งโลกดุนยาคนที่ไม่เอาศาสนาคนที่แอนตี้อิสลามแอนตี้สุนนะนบีแอนตี้มุฮัมมัดแอนตี้ทุกนบีที่ผ่านมาชีวิตของพวกเขาอัลลอฮ์ให้ความสุขสำราญบนโลกดุนยาใบนี้จริงไหมจริงจริงอัทรอนาะหุมอัลลอฮ์พูดย้ำไปย้ำมาหลายครั้งนะเราได้ให้พวกเขามีชีวิตที่สุขสำราญมีความสบายพี่น้องเอ้ย อัลลอฮฺเป็นน้องสบาจริงๆเพลินเลยนะอัลรอนะ้าหุม่มเราได้ให้ความสำราญแก่พวกเขาในชีวิตของโลกดุนยาใบนี้ทำดีนาก็ได้อัลลอฮฺคนที่แอนตี้อิสลามเป็น้องหมกนอิสลามเลาจะกินอาหารกินกี่ทางอะ่ะกินสี่ทางใช่ไหมกินทางปากกินทางตากินทางหูกินทางมือใช่หรือไม่ใช่ มุหมินผู้ศรัทธาอลัลลอฮ์กินรอยบาทพอแล้วพอกินทางเดียวทางไหนทางปากตากงเดีด๋ยวดูผู้หญิงเต้นรําเพลงก็ใหม่ได้ฟังไหมมุมินกินอาหารถูกที่สุดแต่คนกาเฟตกินอาหารแพงที่สุดใช่หรือไม่ใช่ใช่เพราะมันกินหลายทางนี่ไงอัรฟอน้าหุมอัลลอฮ์ได้ให้เขามีชีวิตแบบสุขสัาต์ไปน้องบางคนนั่งเครื่องบินไปกินนี่นะอะไรเนะี่ยที่ฮ่องกงเนี่ยสองช่วง กิละบินละบินกับมีไหมมีครับคือความสุขมากอ่ะเอเราอยากไปไปนะปัตตบุรีรออ่าเห็หมมันต่างกันใช่ไหมาอีกคนนึงก็อยากจะไปทํานวนทนํานี่นั่นและอัตอบหน้าหว่วงนี่อลรรท์เล่านะเราได้ให้พวกเขามีชีวิตแบบสุขสําราญแต่คนมีศาสนาเขาไม่เครืเรื่องความสําราญครับเขาคิดสําราญในกูโบสําราญในโลกอาคีร์แต่คนศาสนาไม่มีสําราญต้องบนโลกดุนยาไปนี้ก่อนตายทั้งหมดนะครับพี่น้อง a l ะ a h ส่งน บ, บีฮูตมากับพี่น้องถูกด่าอีกแล้วด่าว่าไงครับมาฮาดฮุตนไม่ใช่ใครแบบน บ, บีนวเหมือนกันนวไม่ใช่ใครเป็นคนธรรมดาชาวบ้านธรรมดาแล้วก็อยากจะเด่นอยากจะดังใช่ไหมต้องการชื่อเสียงเกียรติยศนี่ก็เหมือนกันกับฮูตถูกตาําหนิมาฮาดฮาุตไม่ใช่ใครอิลลับาชารุมมิสลุกุม นอกจากเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาเหมือนพวกท่านในแล้ที่ใครพูดหัวหน้าพูดลูกน้องก็พูดตามหัวหน้าไปหมดเลยเป็นอ้อเรื่องที่สองยะกูลูพูดกินกินอาหารกามิ ม, มาตะกูลูเหมือนพวกท่านกินจะเป็นนบีได้ยังไงจะเป็นลีดเดอร์ได้ยังไงคนลีดเดอร์มันต้องไม่กินพรอคนคาเฟ่เข้าใจว่าคนจะเป็นลีดเดอร์คนเป็นหัวหน้าต้องบินได้เหาะได้ เดินบนอากาศได้เหยียบไฟได้อะไรได้ไปน้องต้องเป็นลูกกษัตริย์ด้วยคนธรรมดาก็ไม่ได้ในความคิดของคนมุสลิมกาตารินคิดแบบนี้ตังแต่ยุคแรกถึงยุคปัจจุบันนี้เหมืนกัต้องเป็นเทพด้วยได้ถูกจะเดนเด่นทั้งหมดทุกอย่างไปน้องวายาสรอบูมิมมาตาโรอบูและฮูนี่ก็ดื่มนะ้ําเหมือนพวกท่านดื่มแล้วมันวิเศษ ต, ตรงไหน นี่เป็นคำเป็นคำด่าเป็นคำตำหนิตำหนิใครตาหนินบีฮูตที่อัลลอ์ส่งมาสอนศาสนาพี่น้องครับแล้วจริงไหมจริงครับจริงครับทุกยุคทุกสมัยนบีมาถูกตำหนิขีดข้อพี่น้องอัลลอฮ์เต็มไปหมเลยหนึ่งเปคนบ้านัวกระถูกตัเอีกมปนคนบ้าใช่ไหมให้นัวบ้าไปก่อนจนกว่ามันจะหายบ้าหรือมันก็ตาย นี่ถูกตำหนิจากหัวหน้าคนกาฟรินที่แอนตี้นาบีทั้งหมดที่มาในโลกดุนยาใบนี้ฉะนั้นวันนี้มุสลิมถูกแอนตี้ไหมถูกเล่นงานครับจากกลุ่มไหนครับพี่น้องก็รู้อยู่แล้วนะถูกแอนตี้ตลอดเวลาแต่อัลลอฮ์ก็คุ้มครองใบนี้ฉะนั้นยาฮูดีต้องการจะคุมโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวแต่เขาต้องการจะให้ชีอะเนี่ยคุมประเทศมุสลิมทั้งหมดนี่เขาวางแผนกันมาพี่น้อง ยาฮูดีต้องการจะคุมโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวและตัวแทนชิอาฮ์จะคุมมุสลิมทั้งโลกนี่คือแผนการที่ศัตรูของอิสลามหวางว่นกามุสลิมต้องรวมตัวเป็นอิตต้องเนี่ยอิทิราดต้องรวมกันอย่าบทล่อกันเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะครับถ้าเรารวมตัวกันได้เมื่อไรอิชชัลลอฮ์ไปน้อง ก็เราก็จะเข้มแข็งขึ้นมาทันทีนะครับเอาลครับหมดเวลาครับสุานะกอุมาวะเบฮัมกะอัชฮดุลาอิลาะอิลออนเะอัสตะกราะอตูบไล